พระดรอนิลมาณศักกยะผู้ช่วยและขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นชาวเนปาลสมเด็จพระสังฆราชทรงรับอุปถรัรมภ์ตั้งแต่เป็นสามเณรอายุ14ปีทรงสั่งสอนหลักธรรมและส่งเสริมให้เรียนรู้จนจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลายัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษด้วยพระดรอานิลมานรับใช้สมเด็จพระสังฆราชมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กจนจเจริญวัยในปัจจุบัน จึงเป็นท่านหนึ่งที่ทราบถึงพระประวัติส่วนพระองค์ทุกเรื่องได้เป็นอย่างดีได้เมตตาเล่าถึงพระประวัติส่วนพระองค์ที่สะท้อนถึงพระจริยาวัดอันงดงามมีคุณค่าแก่ชาวพุทธให้ได้ยึดถือเป็นแบบอย่างสืบเนื่องต่อไปพระจริยาวัดประจำวันพระดออรอนิลมานเล่าว่า สมเด็จพระสังฆราชทรงตื่นบรรทมทุกเช้าเวลาสามนาฬิกาสสนาทีจากนั้นจะทรงนั่งสวดมนต์ภาวนาไปจนถึงเวลาห้านาฬกาบทสวดมนต์ที่พระองค์ท่องประจำมีตั้งแต่สวดพระปาติโมกข์ท่องพระสูตรและพระคาถาต่างๆถ้าวันไหนมีกิจกรรมเยอะๆจะต้องทำพระองค์จะรับสั่งกับอาตมาว่าวันนี้สวดยังไม่จบคอร์สเลยเพราะทรงพระอารมณ์ดี หลังจากสวดมนต์เสร็จพระองค์จะทรงนั่งสมาธิเพื่อฝึกจิตให้นิ่งและมั่นคงต่อไปจนถึงเวลาหกนาฬกาจากนั้นจึงเสด็จออกจากพระตำหนักเพื่อรับแขกที่มาเข้าเฝ้าหรือเสด็จบินทบาตแม้ตอนที่พระองค์เป็นพระสังฆราชก็ยังเสด็จออกบินธบาตเป็นประจำพระสังฆราชทรงพระเมตตามากหลังจากบินทบาตกลับมา ทรงเห็นเนนน้อยหลายรูปที่ไม่ค่อยมีใครใส่บาตรส่วนพระองค์ของเต็มบาตรเพราะมีประชาชนมาถวายกันเยอะพระองค์จะทรงแบ่งอาหารจากบาตรให้แก่เนนด้วยหรือบางทีพระรอบกุติที่ไม่ออกบินทบาทพระองค์ทรงกลัวว่าพระเหล่านั้นจะไม่มีอาหารฉันก็จะทรงแบ่งอาหารในบาตรให้พร้อมพูดติดตลกว่าแทนที่ลูกศิษย์จะเลี้ยงอุปัชชา กลายเป็นอุปชาเลี้ยงลูกศิษย์แทนในทุกๆวันจะมีทั้งแขกผู้มีชื่อเสียงและเหล่าพุทธศาสนิกชนมาเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเป็นจำนวนมากพระองค์ทรงอนุญาตให้เข้าเฝ้าตั้งแต่เจนาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง9นาฬิกา30นาทีจึงจะเสวยพระกระยาหารโดยเสวยมื้อเดียวมาตลอด พระด็อกเตอร์อานิลมาเล่าว่าแขกที่มาเข้าเฝ้าพระองค์บางวันมีจำนวนมากจนบางครั้งขณะที่พระองค์ทรงเสวยก็ยังมีมาเข้าเฝ้าวันหนึ่งสมเด็จพระเทพเสด็จมาทอดพระเนตรเห็นมีแขกมาเข้าเฝ้าขณะที่สมเด็จพระสังฆราชกาลังเสวยสมเด็จพระเทพทรงเขียนป้ายบอกว่าห้ามเข้าเฝ้าจนกว่าจะเสวยเสร็จเพราะทรงเห็นว่า พระองค์มีเวลาเสวยเพียงวันละมื้อเท่านั้นสมเด็จพระสังฆราชจะบรรทมอีกทีประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังเสวยเสร็จเมื่อตื่นบรรทมแล้วถ้ามีงานนิมนต์ก็จะเสด็จไปหรือถ้าเป็นช่วงเข้าพรรษาพระองค์จะเสด็จไปสอนพระใหม่แต่ถ้าไม่ได้เสด็จไปไหนพระองค์จะใช้เวลาตลอดช่วงบ่ายค้นคว้าตำรา ส่งอ่านหนังสือหรือทรงพระนิพนธ์ช่วงเวลา16นาฬกาถึง18นาฬกา่งเปิดพระตำหนักให้ญาติโยมได้เข้าเฝ้าอีกครั้งจากนั้นถ้ามีเวลาเหลือจะส่งค้นคว้าและสรงพระนิพนธ์งานหรือทรงเตรียมงานสำหรับวันต่อไปสมเด็จพระสังฆราชจะเข้าบรรทมทุกวันในเวลา21นาฬกาโดยก่อนบรรทมจะสวดมนต์เจริญภาวนาอีกครั้ง ทรงเป็นนักสื่อสารมวลชนหลายคนอาจจะไม่เคยทราบว่าสมเด็จพระสังฆราชเคยเป็นนักจัดรายการวิทยุโดยพระดออรอนิลมานเล่าว่าครั้งหนึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าทรงเคยขอให้สมเด็จพระสังฆราชจัดรายการวิทยุที่สถานีอสเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเมื่อปี2510เป็นต้นมา พระองค์จะทรงเขียนบทวิทยุเองเป็นบทสั้นๆประมาณสิบนาทีแล้วทรงอ่านอัดเทปเพื่อนําไปเปิดในรายการครั้งหนึ่งสมเด็จญาทรงให้พระองค์ทรงเขียนเรื่องธรรมะสําหรับผู้ใหญ่เพื่อนําไปออกอากาศพระองค์จึงทําบทวิทยุเรื่องการบริหารจิตสําหรับผู้ใหญ่โดยทําเป็นตอนๆและในช่วงท้ายพระองค์ทรงนิพน์เรื่องจิตตนครขึ้นมา นอกจากนี้พระด็ตอรอนิลมานยังเปิดเผยว่าสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นคนทันสมัยมากเพราะครั้งหนึ่งพระองค์เคยเป็นคอลัมนิสต์เขียนบทความลงในสีสัปดาห์ซึ่งเป็นนิตยสารของผู้หญิงทรงเป็นกวีเอกอีกเรื่องหนึ่งที่น้อยคนนักจะรู้ว่าสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นกวีที่เก่งมาก ทรงแต่งโครงฉันกาบกลอนทุกประเภททั้งภาษาบาลีและภาษาไทยได้อย่างสละสลวยโดยเฉพาะวันคล้ายวันพระราชสมพนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระสังฆราชทรงพระนิพนธ์กลอนถวายทุกปีเมื่อสมัยที่ทรงผนวดเป็นพระใหม่สมเด็จพระสังฆราชเดินทางมายังกรุงเทพเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดบวรนิเวศวิหาร พระองค์ทรงสอบได้นักธรรมชั้นตรีได้เมื่อพุทธศักราช2472และทรงสอบได้นักธรรมโทและปริียนธรรม3าประโยคในปีพุทธศักราช2473คือปีต่อมาแต่ครั้นสอบปริียนธรรมสี่ประโยคปรากฏว่าทรงสอบตกทั้งๆที่ทรงตั้งพระไทยมากทำให้ทรงรู้สึกท้อแท้มาก พระด็อเตอร์อนิลมาเล่าว่าทรงระบายความรู้สึกผิดหวังออกมาเป็นกลอนหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงใช้ความผิดหวงังเป็นพลังกลับไปสอบใหม่จนจบป ร, ริญญาเก้ารับสั่งได้ถึงสภาษาพุทธศาสนิกชนมักจะเห็นว่าเหล่าแขกที่มาเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชนั้น มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากมายคำถามคือสมเด็จพระสังฆราชทรงรับสั่งภาษาอังกฤษได้หรือไม่เรื่องนี้พระดอกเตอร์อนินลามานได้เล่าว่าพระองค์มีพระปรีชามากทรงฝึกหัดภาษาต่างประเทศด้วยพระองค์เองจนสามารถรับสั่งอย่างคล่องแคล่วและทรงเขียนได้ถึงสี่ภาษาคือภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันและจีน นอกจากนี้ตัวอักษรที่ทรงเขียนและอ่านได้คล่องคืออักษรขอมโบราณอักษรพมา่าอักษรสิงหนและอักษรเทวนาครีพระนิพนธ์อันทรงคุณพระดออรอนิลมาเล่าว่าสมเด็จพระสังฆราชทรงนิพน์เรื่องต่างๆไว้เป็นอันมากทั้งที่เป็นตำราพระธรร ม, มเทศนา นิยายทั่วไปโดยพระนิพนธ์ล่าสุดเรื่องจิตตะนครโดยพระธีรโพธิภิกขุได้จัดพิมพ์เป็นหนังสือภาพในชื่อจิ ต, ตกรรมเล่าเรื่องจิตตะนครเพื่อฉลองพระชันสา1หนึ่งรปีพระนิพนธ์มีมหาสารมากที่กำลังจัดพิมพ์ขณะนี้มีถึง32ซีรีส์ซึ่งเป็นธรรมะทุกระดับครั้งหนึ่งระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสดับฟังเทปของสมเด็จพระสังฆราชเรื่องสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งและทรงสนพระไทยมากจนขอประธานอนุญาตสมเด็จพระสังฆราชเพื่อพิมพ์ถวายโดยในหลวงทรงพิสูจน์อักษรด้วยพระองค์เองทรงพระธรรมทูตเผยแผ่ศาสนา สมเด็จพระสังฆราชทรงทันสมัยและมีวิสัยทัศน์ในเรื่องพระศาสนาอย่างกว้างไกลปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีพระไทยและวัดไทยที่ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลกอันเนื่องมาจากพระดำริที่มองการไกลของพระองค์นั่นเองเมื่อปีพุทธศักราช2509สมเด็จพระสังฆราชเป็นพระองค์แรกที่ทรงดำริที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังต่างประเทศ พระองค์จึงทรงเป็นประธานกรรมการอำนวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตในต่างประเทศตอนนั้นพระองค์ท่านทรงเริ่มฝึกพระธรรมทูตโดยเลือกจากพระเนนให้ฝึกพูดภาษาอังกฤษก่อนจากนั้นก็ฝึกให้ใช้ชีวิตที่เปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมได้เพื่อง่ายต่อการส่งไปเผยแพร่ศาสนายังวัดในต่างประเทศ จากพระธรรมทูตองค์แรกเมื่อปีพุทธศักราช 2,509 จนถึงปัจจุบันมีพระธรรมทูต ท, ที่ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสร้างวัดทั่วโลกถึง200แห่งและในโอกาสฉลองพระชนษา100ปีเหล่าพระธรรมทูตก็ได้กลับมาที่วัดบวรเพื่อสัมมนาตรวจสอบจิตวิญญาณแห่งพระธรรมทูตครั้งใหญ่ร่วมกัน พระเกศาและพระโลหิตสมเด็จพระยาณสังวรเป็นพระธาตุเมื่อวันที่ส0บธันวาคมพุทธศักราช2556ที่วัดบวร น, นิเวศวิหารพระราชรัตนมงคลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวร น, นิเวศวิหารเปิดเผยว่าภายหลังจากสมเด็จพระยาณสังวรเจริญสุวัฒนมหาเถระได้สิ้นพระชน ก็ได้รับทราบจากคณะสิทธานุสิตว่าพระเกศาและพระโลหิต ท, ที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราชในโอกาสเจริญพระชนมายุร้อยพรนษานั้นได้แปลสภาพเป็นพระธาตุซึ่งสร้างความปีติแก่คณะสิทธิานุสิตเป็นอย่างมากพระราชรนมงคลกล่าวต่อไปว่าสาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้พระเกศาและพระโลหิตแปลสภาพเป็นพระธาตุส่วนหนึ่งมีความเชื่อว่า มาจากพระปฏิปทาด้านสมาธิกรรมฐานซึ่งสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ทรงสนพระไทยในการฝึกปฏิบัติกรรมฐานตั้งแต่ยังทรงเป็นพระปเรียนสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ทรงปฏิบัติพระองค์แบบพระกรรมฐานในเมืองและเมื่อทรงมีโอกาสก็เสด็จจาริกไปประทับตามสำนักวัดป่าในภาคอีสานเสมอซึ่งครั้งหนึ่งหลวงตามหาบัวได้กล่าวถึงพระองค์ว่า ท่านเคยมาภาวนาที่วัดป่าบ้านตาดัดแต่ก่อนที่ท่านยังไม่ได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชท่านมาแต่ละครั้งมาเป็นอาทิตย์อาทิตย์เอาจริงเอาจังเวลาภาวนาเวลามีโอกาสอันดีท่านก็สนทนาธรรมกันท่านตั้งใจศึกษาและมีความรู้ด้านจิตตะภาวนาอย่างมากสงสัยเรื่องไหนท่านจะซักจนถึงเหตุและผล และยังส่งไปฝึกปฏิบัติกรรมฐานกับพระอาจารย์สำคัญหลายรูปอาทิหลวงปู่เทศเทศรังสีหลวงปู่ฟัน่นอาจารโรหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนอกจากนี้สมเด็จพระสังฆราชทรงรับภาระสอนกรรมฐานที่วัดบวรนิเวศวิหารมาตั้งแต่พุทธศักราช2504ซึ่งพระองค์เป็นที่ยอมรับของหมู่พระนักปฏิบัติ หรือที่คนทั่วไปนิยมเรียกว่าพระกรรมฐานพระองค์หนึ่งและยังได้มีพระนิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องกรรมฐานและเรื่องของจิตมากมายโดยเฉพาะเล่มที่ประชาชนให้ความสนใจมากที่สุดคือจิตตนครนครหลวงของโลก